จะทรงแสดงธรรมอย่างหนึ่งจะทรงบัญญัติศิกขาบทแก่พระสาวกอย่างหนึ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามภิกษุชาวฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาว่าทำอย่างไรเธอทั้งหลายจึงพร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะ ก, กันอยู่จําพรรษาอย่างพราสุกและบิณฑบาตไม่ลําบากลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นจึงได้กราวทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาค กระถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอมีคุณวิเศษนั่นจริงหรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่ามีจริงพระพุทธเจ้าข้า